ก, กลาวกลว่าคุณครอาจารย์ทั้งพุ่เขียนแล้วก็คุณครูบาทก อ, อ, อาจารย์ทุกรูครับทึงรูปตลดทั้งพี่ตุกแล้วก็ทุกท่านเรียนพรญาติโยมบาสุกอุบาสิกาทั้งหลายนั่งตามสบาย มนเนี่ยอาจารย์ท่านอยากจะให้พูดอะไรนิดหน่อยแต่ไม่มีคําพูดมากหรอพูดแต่นิดนิดหน่อยหอยก็แหละวีบุ้งมาไดพูดเรามานี่คือเรามารักษาตัวเองมาดูตัวเองมาึกตัวเองเพราะเรามาในเกิด ม, นะมาเนี่ยนะเกิดมาแต่นานแล้วอแต่ออกเกีทุกข์มาได้เลย ยินกับทุกนอนทุกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดดูแล้วว่าบางทีแต่ทําความดีทุกทุกคนนะที่มาอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่รู้จักหลวงพอนี่หลวงพ่ อ, พอไม่รู้จักเกิีงเกลี้งเพมดีเนี่ยว่าแต่ทำอะไรดีหมดถูกใจตัวเองดีดีหมดทุกอย่างถ้าทำมาใจของตัวไม่ดีไม่ชอบอย่างนี้ก็ว่าเป็นทุกข์ สุดท้ายนั่นแหละทุกมันไม่มีเงินไม่มีถ้เข้าไม่มีของจะกินก็ทุกว่าจะไม่คุ้มปากคุ้มท้องทํามาหากินกวัวจะไม่พอปากพอท้องคิดไปเรื่อยแปดทันการติดรักติดทางคิดดีคิตทั่วคิดอิจฉาคิดปัญญาบาดมาคิดแล้วก็คนเราเนี่ยมาเกิดมาเนี่ยเกิดมันด้วยความหลง มาสร้างความทุกข์ให้ตัวเองตลอดไปตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาพอรู้จักรู้สึกท่าน่ะค่อยเริ่มค่อยฝึกค่อยหัดค่อยแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆมาจนทุกวันนี้ละเป็นอดีตอดีตเนี่ยถ้าเราทําให้เป็นนั่นมันก็จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องทํามาดูกีวิติตใจของเรามันออกจากนอกตัวไปก็ให้รู้จักมันจะเข้ามาก็ใรู้จัก แ ต, แต่ก่อนเราเป็นผู้เป็นทั้งหมดดีเราก็ไปเป็นกับเขาช่วยเราก็ไปเป็นกับเขาสารพัดก็เป็นอย่างสารพัดน้ำเขานั่นแหละไม่มีอันสิ่งที่อยากมาปดมาละมาปล่อยมาวางของตัวเลยมีแต่เอาอย่างเดียวหลงอยู่อย่างนั่นแหละหลงจนตายคุณโยมผมคิดว่าตั้งดาวเกิดมาเนี่ยคุณดคีคนงามความดีกับคุณความช่วย น, นั้นแหละมัน มันมากกว่าการได้เกินโดยจากเกิดมาเนี่ยอายุได้เท่าไร่ตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่เดินเป็นนั่นแหะตลอดจนถึงถึงเวลาตายในความทุกข์นั่นน่ะไม่เคยปล่อยเคยวางเลยมีแต่ยิตไปยึดมัน่นถือมั่นในถึงนั่นถึงนี่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นแล้วก็เป็นคนหลงอยู่อย่างนั้นตลอดอันความหลงเนี่ไม่ใช่ว่าเป็นวค้องดี เป็นของที่คนโง่ที่เขาใช้กันไม่รู้อยากปล่อยไม่รู้อยากละเมื่ออยากวางังเอาวังใช้ชนะคนเรื่อยๆไปจองห้องพองผลทุลแล้วแต่แต่แต่เขาจะพาเป็นเอเราก็เป็นผู้เป็นกระเพามีหูตาหมูกลื่นกายใจอกระทบรูเสียงกลิ่นรสปวดตาธรรมลมมันก็เป็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปอดีก็มีชั่วก็มีสารพัด ตังแต่มันจะเปลี่ยนไปมันก็เป็นอยู่นั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยให้พระยะยามเรายำปัมปามาตตอนดีจะดีเพราะเราเกิดมาเป็นคนนี้แหละเป็นตัดที่ประเสริฐดีที่สุดไม่มีอะไรเจียวเปรียบเรียบได้แต่เราก็ไม่มองเห็นเอาแต่ทางที่ไกลๆนอกตัวเราไปหวังจะอยากได้อย่างนั้นมาเป็นมุลนธดกอย่างได้อันนี้มาเป็นท้อจับิศษเงินทองของเรา ฮิดไปอย่างนั้นิตไปจนวันตายแต่ส่วนตัวท่านทาไปอย่างอื่นดีบ้างชั่วบ้างสารพัดแต่มันจะเป็นไปไม่เคยได้แก้เลยแม่ก็เป็นได้หลงหลงอยู่นั่นต่อไปเพราะเราเกิดมานี่ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรารักษาอยู่เราเนี่ยเราจะเกิดมาทำโทษตัวเองไม่ใช่ว่าเกิดมาดีเพราะว่า อยากได้ดีก็ไม่รู้อยากทําดีอยากได้บุญก็ไม่รู้อยากบุญกลัวความบาปก็ไม่รู้อยากบาปไม่รู้อะไรเป็งบาปอะไรจะเป็นบุนไม่รู้จักสับสนกันอยู่นี้ตลอดเวลาวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนะี่ยอย่าประมาทแท้ๆเพราะว่าเกิดมาเนี่ย เราแต่วังเงินทำผลความดีเนี่ยให้ได้แต่ความดีทนั่นนะ่ะมันอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดไปส่วนที่นอกตัวของเรานะ่ะเป็นคนคนปลอมเป็นของปลอมแต่เรามาอาศัยเขาชั่วหนึ่งชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองเพอได้ทําำความดีไปตลอดวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะทําอย่างนั้นแต่จิตใจของมันมันก็ุ่งอยา ก, กได้ อยู่ไดเรื่อยไปไม่รั้หย่อนพอนพันให้กับผู้กับพวกด้วยกันหมั่งเอาใจชนะอยู่ตลอดเวลายึดมั่นถือมัน่นนนถึงนั่นถึงนี่มีมณฑิเตถืออันนี้ถือเนื่อง ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถือตัวอยากอะไรก็แต่คนอื่นจะได้มากกว่าเราคนนี้จะได้มากกว่าเราคนนั้นจะได้ดีกว่าเราคนโน้ก็จะดีกว่าเรากร็กาาอยากจะกดีอย่างเขา แล้วก็ต่างคนก็ต้องมีมณะททำการทำงานสารพัดบางครก็มันไม่ทันอกทันใจก็ไปชอบไปโกงเขาไปปมเหงือเขาเขาอยากได้อะไรก็อยากใจไปไปหาเชียงวิ่งดาวหรือสารพัดต่างต่เขาจะทำไปมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ย นี่แหละเราเกิดมาหาบุญบุญนี่บาปมาตั้งแต่เราเกิดมาว่าอันบาปเนี่ยเราว่าเป็นบุญแต่ว่าเราทำลงไปแล้วมันไม่เป็นบุญมันเป็นบาปฆ่าสัตตัดเจดวิตเอาหน้าเมามาเบียบันเมียกันปรารธนาอ้อนวอนเอาถึงนั่นมาให้มามาอาศัยถึงนี่มาอาศัยเอากิจไปปล่อยไม่ไปวางไปอาศัยทังอื่นไม่คิดว่าตัวเองจะมาสร้างเองให้มันได้ มากๆมันก็ไม่ค่อยมีมันจะเป็นอยู่นั้นตลอดไปแต่จะหวังเลยพวกเรานั้นอ่ะของดีอยู่กับเราเนี่ยให้มาทําเอาใครทําได้ก็ได้ใครไม่อยากทํามันก็มันก็ไปไม่ได้ไมันก็ไม่ได้เพราะว่าการกระทําของเรานี่ะมันทําดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่ว ถ, ถ้ามันามีบาปกับบุญสองอย่างเนี่ยเป็นตัดมนุษยที่ต้องให้มันเก่งขึ้น ให้มันจะเชื่อมแข็งการมาปฏิบัติเนี่ยมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราจะเห็นหมดทุกอย่างแล้วเราก็มาฝึกชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งคือกายกับใจถ้าอะไรมันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้มันรู้แล้วก็หาห ล, ลบหลีกไม่เป็นต้องเข้าไปเป็นกับเขา นนน เ, เนี่ยมันโกรธมันมันดีอีกเนี่ยมันไม่ดีอีกเนี่ยเราก็บางทีเราว็บกแต่ก่อนเราก็ไปนอนแช่ของมันนั่นแหละไปนอนแช่ไปจับความทุกข์ทรมานจิตใจของตัวเองอยู่นั่นแหละไม่รู้จักจบพันรือจากทิ้นกลางคืนนอนฝันกลางวันนั่งคิดไม่มีเวลาติดจะว่างเลยมีแต่หาเรื่องหารล่าหาสิ่งที่เราจะเป็นบาป เพราะนั้นให้เราพยา ย, ยามอย่าไปปล่อยให้เวลาล่วงไปล่วงไปเฉยๆเรามาเกิดมาเนี่ยหรือว่าเป็นโชคดีที่สุดได้เกิดขึ้นเป็นขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ไหนที่มนุษย์ทำมาได้ไม่มีแต่ว่าเร า, เาอยากเขาเป็นอย่างที่เขาเขาเขาช่วยกันจะไปช่วยกบกับเขาเขาขี้เกียจที่ข้านเขาไม่อยากมาทํําากรทางาน ไม่มีความเพียรแข่งไม่มีความอุตสาหกรรมเทีที่เราจะทําไปนะมันก็จนนะเนี่ยไม่มีจะใช่จะกินจะซอยบอกไปมันเป็นไปเราสร้างขึ้นมาเองความทุกข์เราสร้างขึ้นมาเองนะไม่ใช่ว่าเทวดาจะมาโดนบันดาลให้เราทุกข์เขาจนก็ไม่ได้จะทําให้ร่ํารวยก็ไม่ได้เทวดาเทวดาคือความศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราเนี่แหละของดีอยู่เราเนี่ยเราต้องทําให้มันได้ ให้เป็นทำเป็นเทวดาเป็นอินเป็นผมไปเป็นพระนิเย้าไปอย่าไปทำอย่างเดียวอทำบุญให้ทานรักษาสน์อย่างเนี้ยเราก็ทำมาแต่ไหนแต่ไรพ่อแม่เราทำมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดตั้งแต่พ่อแม่เรายังไม่เกิดก็ยังทำอย่างเนี้ยแล้วก็เราก็ไปเอาเดียวนั่นแหละเกิดมาก็ทำมาเกิดทำบุญให้ทานนักษาสน์แข่งกันเท่าเสมอเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็ทำแข่งกันอยูน่น่ะ ใครก็ควจะไม่ได้ทํามากเห็นคนอื่นไม่ทำเนี่ยถ้าเราทําต้องทําให้เก่งของเขาอีกแต่ไมเมื่อจากเอาบุญทําแล้วก็ดีว่ากันวันนั่งพังแตกไปก็มีฆ่ากันตายก็มีเนี่ยลดหย่อนผ่อนพันกันก็ไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะทําหมดยังไงทําเอ า, เอาไม่เอามุ่งจากเอาบุญนี้ก็มันก็เป็นบุญไม่ได้ละต้องอดออมต้องมาดูตัวเอา ถ้าเราไม่ดูตัวเราไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นหเป็นผีนั่นแหละผีมันก็ไม่อยู่กับนี่ไหนนะอยู่กับเราเราสร้างกันเองอยู่กับบ้านกับเรือนเขาเนี่ยมีแต่ความรักความช่างความอิจฉาความพยาบาทกันเอออยู่กับบ้านเรียนเดียวกันก็ไม่ถูกกันผู้อื่นเขาอยู่บ้านเดียวกันบ้านใกล้ๆกันก็ไม่ผูกถูกกันอย่างนี้ไม่มีใครมาทําให้เราดอก เราทําเองทั้งหมดสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นสมบัติของเราที่ได้ไปคลองมันเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนการลุกเปลี่ยนการจองจองลอง่างจองผ่านแต่เดี๋ยวนี้เราฆ่าเขาหรือชนะเขาเราดีกว่าเขาแปรของเขามาเป็นของเขาต่อไปในเข า, เขาก็มาเอาเราแล้วบันี่ยเขาจะทําเอาของเขาได้เขาได้ก็ได้ทําให้เขาหลุดหมด นั่นแหละมันยังไม่เป็นนี้เป็นถิ่นกันไปเท่าทําอะไร้ได้ก็เป็นสมบัติของเราที่ได้ได้ไปปักคลองกรรมของเราอะไรดีชัว่วเราก็ต้องไปทําเอาเองไม่มีใครไปทําช่วยเนี่ยพอเราเกิดขึ้นมานี้แล้วแก้ได้เนี่ยลงมาพ่อเกิดมาเนี่ยคิดว่าจะมาตัดภพตัดชาติออกจากความเป็นสัตว์นั่นนะให้มันมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ตั้งแต่ ชื่อแต่นามท่านันแหละหน้าตาเป็นคนก็เป็นมนุษย์แต่จิตใจนีมันเป็นมันเป็นคนคนนี้ของหลายเสียงหลายอย่างมันมารวมร่วมเข้ากันร่วมแล้วก็เป็นกวนกวนเขาเรียกว่าคนนั่นแหละดีกวกับเพ่าะมันอยู่นี่แหละแล้วาเน็ต้องไม่แยกอันนี้ออกให้เป็นของที่เป็นสัตว์นะให้มันมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นี่คือเป็นผู้จิตใจสูง หน้าตามันเป็นคนส่วนชีวิตมันจะเป็นตัดไดได้ใช้นสันนโรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเราไปเห็นของเราเองไม่มีคนไปเห็นด้วยแล้วก็เราก็รู้จักตัวเองมันอนั้นมันเป็นอนั้นมันเป็นอนั้นเราก็เลือกออกจากอนั้นแล้วเราก็มาดูเป็นมนุษย์น่ะมนุษย์นี่คือไม่มีมณฑิตทีความถือเนื้อถือตัวกันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรเกิดมาคือเนี่ยของเล็กๆก็ให้มันน้อยลงของที่น้อยน้อยก็มันหมดไป สิ่งที่มันจะเกิดอีกก็ไม่ให้มันเกิดแล้วก็เป็นมนุษย์ได้บ้างนมะันมีฮิริความในใจใจมีอดตาปาะความเจงกลัวต่อบาปแล้วก็เราก็พยายามทําให้ได้นะ่ะมันมีอยู่ทีก่กับเราไม่ใช่ว่าอยู่ที่อื่นเทวดาก็อยู่กับเราเนี่นะ่ะตัด้านโลกเราก็สร้างนนัเองอืเปรตอสุรกายเราก็สร้างนั่นเองตัดในหลักฐานก็สร้างนั่นเอง ไม่มีใครจะมาสร้างให้เราเกิดมานี้เนี่ยเรามาทำเอาเองตั้งแต่เราเกิดมานั่นน่ะจนถึงวันนี้มันเป็นอดีตไปแล้วอย่ามาเนคได้เอามาคิดอย่ามาปลูกมาแต่งมันกลายแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันออกคืนไม่ใช่ไม่ได้หรอกมันหมดไปแล้วความดีก็จะทําอีกก็บอกไม่ได้เอามาใช่ไม่ได้เราต้องทำมาใหม่ต้องอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันดีๆเนี่ยมันก็ดี ถ้าปัจจุบันไม่ดีมันก็ไม่ดีเนี่ยชาติเนี่ยชาติที่เราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันเนี่ยเขาเรียกว่านั่นในชาติเก่าของเราเนี่ที่เราทําไว้อ่ะเอาอัมทุ่มนี่เนะี่ยเราให้ตัดกรรมตัดเวรออกให้ได้มาอยู่ที่นี่หลวงพ่อคิดอย่างนี้ไม่ได้เอาเรื่องของใครมาพูดอันเนี่ยเพราะว่าผมผมคิดแบบนี้เอง เนี่ยอดีตที่ผ่านมาเยไม่ต้องเอามาคิดมาปรุงมาแต่งสิ่งที่มันจะเกิดใหม่เนี่ยจะไม่ให้มันเกิดได้เลยถ้ามันเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามมาแก้ไขตัวเองอ่ะคือเห็นความคิดตัวเองเนี่ยแหละเอีพอเราเดินจงกรมไปเนี่ยมันจะบอกเราอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นบางทีความทุกข์เกิดขึ้นมานี่ก็มี บางทีเกิดขึ้นมาความทุกข์ดีความตุกเกิดขึ้นมามันก็มีฐารพัฒความอิจฉาความพยาบาทความจองร่างจองผันการหาจุนปเป็นเราเป็นแบบนั้นแบบนี้เรามันจะเกิดขึ้นมาให้ ร, รู้รู้จักบนแต่บัดนี้เราให้เข้าใจมากับนะปฏิป ฏ, ปฏิแปลว่ากับเราอย่าไปทำเดิมเดิมให้ละให้ลดให้ปล่อยให้วางของงักหนัก ว่ามันหมดไปให้มันเบาไปของที่จะเกิดอีกก็ย้ายมันเกิดพยายามมาทำเอาเองไม่มีใครจะมาทําให้เราทําเองเนี่ยพอมันคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไปอยู่นําเพึนความคิดให้รู้เฉยเฉยรู้แล้วก็ทิ้งไปรู้ก็ทิ้งไปเพราะโลกของเราเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปบังคับให้มันเกิดอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้มันบังคับมันไม่ได้ เรามีหน้าที่คือดูเฉยๆดูอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเราก็รู้จกักรู้แล้วเราก็ไม่เป็นผู้เป็นดีเราก็ไม่เอาชั่วเราก็ไม่เอาดูแลก็ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไ ป, ป, ยไปวางไปจิตใจของเราก็จะจะสบายจะเบิกบานสใสสะอาดไปที่ไหนที่ไหนก็ปลอดโปร่งสบายไม่มีอะไรจะมาเป็นทุกข์เลยเป็นได้ทุกคน อถ้าทำนะทาให้ทําขยันอย่าไปเหยียบอย่าเป็นขี้ข้านเกิดเป็นคนมานนอนะ่ะมันเป็นของที่อับพความอาับพลับอับจนของเราเนี่ยมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากความขี้เหียดที่ข้านไม่ว่าเราจะทําการอะไรทุกอย่างถ้าเราไม่มีมนะไม่มีควฒนขยันกันแข่งแล้วไม่กุ้มปากกุมท้องเราทําะไรก็ไม่ได้เป็นพ่อข้าพ่อขายเป็นเศรษฐี หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นยาวจกเข็นใจหรือว่าเป็นเจ้าฟ้าพยาล อ, อะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เมื่อกทุกนั่นแหละถ้าทําไม่ดีอ่ะไม่มีใครทําทให้เลยเราทําเองบุญนกก็ทำเองบาปนกก็ทําเองนรกเราก็ทําเองสวรรค์นกก็ทำเอ ง, ท, เอ ง, ท, เองที่พ่านเราก็ทาเองก่อนเราจะตายให้เราเห็นนั่นนี้ก่อนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้น่ะมันไม่อยู่ที่ไหนไมันอยู่กับพี่ตัวเราตานแล้วก็ทิ้งไป เห็นเลี้วก็ปล่อยไปวางไปแล้วก็จิตใจของเราเนะี่ยมันก็จะสดใสว่องไวขึ้นมาทุกอย่างมันจะเกิดเกิดขึ้นให้เราดีๆออกดีใจไม่มีความโศกความเศร้าห่วงเหงหัวอกหัวใจก็มันมีมีแต่ความดีไปตีแล้วก่อนดูจักเมตตาปาณีกันเ อ, อไม่ทําให้คนนั้นคนนั้นเดือร้อนไม่ให้ทำคนนี้ทให้นี้เดียดร้อนตั้งอกตั้งใจทํา ทำการทำงานทุกอย่างเราจะไปเป็นคนเบียรนายที่เกียดที่ข้านเออความเกลียดที่ข้านนี่เป็นหน้าที่ของเราผู้ที่คนดีคนที่ไม่ดีก็คนเกียดเกียดที่ข้านนั้นมันอยากทําการทํางานนั้นมันเท่าเท่ากับมาฆ่าตัวเองอ่ะเกิดมานะ่ะพวกเรานี่คนเหมือนกันถ้าเราไม่มาทําคนดีเนี่ยนะเนี่ยก็ฆ่าฆ่าเจ้าของเองทําโทษเจ้าของเอง ไม่มีใครจะมาทําให้ตอนเราเป็นคนเนี่ยเราต้องระวังให้ดีอย่าประมาทอย่างไรเราจะเ อ, อดี๋ยวดีกินดีแล้วก็นิพพานมันทำตามขึ้นถ้าไหนให้พยายามอยอะๆพยายามทําไม่มีใครจะมาช่วยเราดอกเราทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วเนี่ยเพราะสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดมาเนี่ย ซ้สำซ้ซากซ ก, กไม่รู้ว่าจะเกิดมาจีครัง้งสี่หนแล้วเอี่ยมันก็คนดีเขาก็ได้เป็นคนเดับดับคนดีไปเนีคนดีอยู่ในในเมืองเราเนี่ยคือดีตั้งแต่อการแต่งานเนี่ยก็ดีทําการนําที่อะไรทุกอย่างก็ก็ดีหมดแต่ว่าส่วนมาประพฤติปฏิบัติอย่างที่เราไม่มีเนี่ยไม่มีมีน้อยที่สุดอย่างที่เรามาเนี่ย หายากยากมากนี่แหละพุทธศาสนาถือศาสนาพุทธก็ต้องมาทําแบบนี้เนี่ยอะไรเป็นพุทธศาสนาก็คือชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยของเรานี่แหละมันมีอยู่กับเราทุกคนให้เรามาหาเอาใครทําค่อยได้ใครไม่ทําไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปเรียนให้มากหนังสืออะของปู่ท่านไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือเราไม่ได้หนังสือเลย เรามานั่งตั้งแงว่ามาดูความรู้สึกท่านก็เข้าใจได้เดามาหาตอนพวกเราอยู่นเนี่ยเนี่ยให้พวกเราพยายามเออยอย่าไปมุง่งเอาความนั่นควานี่มาให้มันไปอาศัยอนันนั้นเนี่ยต้องอาศัยตัวเราเองเนี่ยถ้าตัวเราดีดีหมดถ้าตัวเราไม่ดีไม่ดีเอีดีแล้วก็ไปสั่งลูกสั่งเต่าสั่งหลานเออมาแล้วก็ทําคุณงามความดีให้เขาเนี่ยให้เขาดู จะพูดจะด่าจะว่าจะทุกๆดีตามเขาอะไรก็ตามให้ดูก่อนบทบาทพยายามทําให้รูปให้เต้าเราเห็นเห็นบินตัวอย่างตัวอย่างไปด่าไปว่าไปอิดช้าไปพยาบาทกันกับลูป ก, กับผัวกับลูกกับเต้าอยมันไม่สมควรพวกเราเนี่ยเท่าเท่ากับเราเราสร้างทั้งผีสร้างสาสร้างยักษ์ยักษ์จ้งอะไรไปอยู่ในกับบ้านกับเรียนเราเนั่ยน่ะเขาอะไรเพราะยุก มันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราสร้างกันมาเองนั่นแหละเราทําเองเราจึงค่อยจะรู้เองเห็นเองไม่มีใครจะเป็นแน่วเขาจะมาทุกกับเราหรอกนี่แต่เราทําเองเราทุกข์เองเออย่าไปดา่าไปแช่งไปดา่าไปว่าเขามันไม่ดีถึงชั่วงขนาดไหนก็ความดีเรามาสอนกันไปตามธรรมดามันไม่เอามาอยู่แท้ก็ก็ปล่อยเขาไปแล้วเอามันมันไหวกมันไม่ไหวอะ่ะ แล้วแต่ว่าพวกอื่นก็อย่าไปเป็นอย่างเขามันมันจะเป็นอยู่นั้นมันอย่าไปถือสาเขามีอะไรมันมาก็ให้มันกินไปแต่เดวเจ็บไม่ให้ดีอย่าอย่าไปมาเห็นมันจะมาลักเอาหมดประเดี๋ยวมันจะมาปล้นเอาอีกฆ่าตายก็มีนะคะพ่อค่ะแม่เพือ่อกินยาสมเทสไปเพราะอะไรก็เพราะมันจะมาสร้างบาปมาแหละ นี่แต่ถ้าเราทางทางอันเดีกว่านั่นเนี่ยฆ่าวันลันแทงกันสารพัดตั้งจต่มันจะฆ่ากันเนี่ยความกิ่งเนี่ยฆ่ากันเนี่ยมันมันมันมฆ่าตัวเองนั่นแหะเราการนิ้ท้าโดยถูกคนอื่นนี่ก็เหมือนกันย่าไปถูกถูกนิทากันเท่ากับเรามาทำโทษตัวเองเพราะวอัติเหียนั้นน่ะเป็นตุมบัติของเราที่เราจะไปคลองเพราะเกิดมาเนี่ย เราเกิดมาหาความดีเนี่ยเพื่อจะอยากได้ความดีข้างหน้าถ้าปัจจุบันนี้ดีมันจะดีดีดีตลอดเลยให้ให้เราพยายามทำมันทำได้อยู่ไม่ใช่ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะความขี้เกียจที่ข้านไม่อยากทำอยากได้แต่ดีแต่วันมืด อ, อยากดีอยากสบายสนุกสนาน ไม่อยากทําการทํางานอ้อนวอนเอาว่านั้นมาช่วยอ้อนวอนเอานี่มาช่วยอย่าไปอ้อนวอนไม่มีใครจะมาช่วยหรอกนี่แต่เราเองนั่นแหละทุกคนอยู่นี่ยมีคนสมาธิดีดีแล้วก็ถ้าอยากมีคนสมคธิกันดีก็ไปทํางานด้วยกันแล้วก็บวันเขาทําของคนนี้เสร็จแล้วก็ไปทำางคนนั้นอีกทาคนนั้นอีกเลี่ยนเยไปช่วยช่วยกันจะมีความสมัตรสมานสมาธิทีกันแล้วก็อะไร มีก็อดๆ อ, อ, อยากๆก็ช่วยกันเนี่ยไปบางทีเราก็ดีบางทเาีเขาก็ดีเหมือนกันมันไม่เสมอไปดอกอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี่เป็นโลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้มีอะไรอะไรนั่นนะมันไม่สาวรแนแน่นอนอะไรดอกมีแต่สิ่ง ท, ที่จะมันสลายไปทั้งหมดเราทุกขเรายากเราลำบาก เข็นใจได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านบัตายไปนั่นแ่ะมันก็ออกไปไม่ได้ถ้าเราทําบุญทําทานให้ทานนักตาศินอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็ได้นั่นแหละได้เป็นคนที่มีเงินมีทองมีข้าวมีของอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะว่าเขาได้กินได้ทานมากส่วนเกี่กับไปเมืองสวรรค์ไปเนี่ยก็อยู่นี่แหละเปถึงพร ม, มโลกเท่านั้นพอถึงมรมโลกแล้วก็ ได้ลงมาเพราะว่าชีวิตจิตใจของเรายังมีโรคมีโกรธมีหลวงมีความโกรกเอมันครอบคุมเราอยู่เราก็ไปไม่ได้เนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยไม่หาว่าแต่มันจะมีเงิมนมีทองหรอกทําบุญนี่ละ่ะทำบุญน้อยขัง้งพันขั้นเราก็ไม่ไม่เท่าเรามาทําแบบนี้เนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหรอกชีวิตจิตใจตัวเองอะถ้าเราไม่มาฝึกไม่หาดมาหาด ถ้าเรามาฝึกว่าเนี่ยจิตใจของเราไปรักใครก็รู้จักมันจะไปลังเกียจคนนั่นคนนี้ก็รู้จักมันอยากไปอิจฉาคนนั้นคนนี้ก็รู้จักไปโศกรักขโมยหรือไม่ไปชอบโกงกับเขาสารพัดทั้งแต่มันจะเกิดขึ้นมาเราเป็นผู้ดูเฉยๆเราไม่ต้องไปเอาโอดก็ไม่เอาเห็นก็แล้วไปมันจะทุกข์กนาดก็แล้วไปเนี่ยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเจ้าจะไปมาขับมันเ อ, อีมันอ ย, อยู่อย่างนั้น ทุกเกิดสิ่งเขาก็มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นอยู่นั่นให้เราเห็นอยู่เนี่ยให้เราพยายามดูให้นีอันเนี้ยมาเรามานี่เราก็เพื่อหวังว่าอยากได้อันดี๋นี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละแต่ว่าอย่าไปชี้เกียที่ข้านให้ขยันมันเพียนมันทุกมันยากมันลําบากขนาดไหนก็อดเอาเพราะว่ามันอยู่เนื้อเหนือเนือดีเหนือชั่วเนื้อบาปเหนือบุญเหนือสุขเหนือทุกเนื้อตาย ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทํำในง่ายๆทํำอะไรต้องอดทนให้หมดต้องกลัวต้องเข้มแข็งต้องขยันมันอะไรเป็นอะไรมาเน่ะโชตายเลยเอา้าวอันนี้เกิดขึ้นมาเอาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะตายไหมเราไม่หยุดให้มันอ่ะเจ็บปวดเหนื่อยล้าหิื่ตัวแล้วแต่เนี่ยเกิดขึ้นมาฟองหนักทั้งหนั ก, นกทั้งเบาฟุ้งซ่านําคัญสารพัดจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ยให้ ร, รู้เฉยต้ออยากเข้าไปเป็นโยเขา มันจะเป็นอยู่นั้นเนี่ยถ้าเราอดทนได้แล้วนั่นน่ะสิ่งดีๆที่เราเพึ่งอําพึงปรารถนาเราอยากได้อยู่นั้นน่ะมันจะค่อยเกิดมาเองมันจะค่อ ย, ค, ยคิดเห็นหมดมันจะอะไรเกิดมาแล้วเนี่ยเขารู้จักเข้าใจตัวเองไหมมีคนอื่นที่เข้าใจครับเราเราได้เรารู้จักแก้รู้จกออักอดีตคนจะหลเลี่ยงหลบเรื่องนี้อยากสิ่งที่มันเป็นได้นะ มันมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เราพยายามตั้งอกตั้งใจทําให้ได้อย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นมันถ้าไม่ได้ที่นี้มาคุ้มครองแล้วเราเกิดมานี่ยก็เกิดมาเล่นอื่นมาไม่มีที่พึ่งไม่มีพิธีอาศัยก็เป็นคนทุกขยากเค้นใจไปตามที่เราทําไว้นั่นแหละเนี่ยให้ให้ดูเอา ค น, คนจนเราก็รู้จักคนด้วยเราไปรู้จักคนบ้าคนบอค น, อคนสารพัดเราก็รู้จักมันเพราะเป็นอะไรเพราะเป็นเขาเกิดมาเป็นคนเนี่ยเขาทำเอาเองไม่ใช่อื่นคนเข า, เขาทําให้หรอกเพราะว่าเขาไม่ทําดีเขาทําแบบนม่นเขาเป็นสมบัติของเขาให้คิดเอาอันเนี้ยนี่ยให้กลัวเพราะว่ากรรมคือการกระทํากระทําจนตายทําไม่รู้จัก รถจักรปล่อยจักวางน่ะจนใจอยากยังถามหาคนนั่นว่าเป็นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนที่รักที่อิจฉาพยาบาทกันนั่นแหละมันก็ไปพัวพันคนนี้ยังมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้ตอนที่เรามาอยู่เป็นโคดีมมาฝึกมหาแล้วก็มาหัดกดหัดปล่อยหัดละหัดวางสิ่งที่มันเกิดนะมันเกิดมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นสิ่ที่มันชั่วอยู่เนี่อ่ะก็ธรรมชาตินั่นแหละมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็น เราจะไปบังคับบัญชาไมนก็ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นได้จะให้มันไปบังคับมันมนหนีก็ไม่ได้ถ้ามันไม่เกิดมาอันดีๆหน่อยแล้วก็ไปคิดถึงมันไม่อยากให้มันหนีไปไหนอยากให้มันคลองอยู่่กับชีวิตจิตใจของเรานั่นนั่นมันเปรียบจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เราพยายามช่วยๆกันนี่แหละพุทธศาสนาน่ะมันจะเจริญได้เพราะถึงเรานี่ ถ้าถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีพุทธะนาเราเสียมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันโตขึ้นมาก้างอ่้วนะเกิด ม, มาเดี๋ยวนี้คนไหนที่เคยทำคิดทั่วดา ม, มกมาได้หลายเน่นะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีมันก็ค่อยเห็นไปเรื่อยๆไปพราะะน้นก็ให้เราพยายามอดตาพยายามให้ให้ทำนี่ละเราทำแล้วก็ เป็นผู้มีทิฏมีธรรมจะหาอยู่หาจีนอยู่ตามบ้านเราเนี่ก็มีความสมัครสมานที่กันรู้จักปองดองรู้จักลดละให้กันไปเตียนให้ก็ให้ต้องมีความผาสุกเพราะาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยอไม่มีใครจะพ้นความตะเจ็บคนเกิดเกิดมาแล้วก็ความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ค, ความตายของเราเนี่ยมันต้องตายทุกคนไม่ตายไม่มี เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เป็นอะไรตัดทุกตัวก็เหมือนกันตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เมื่อก็ตายเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเราพยายามมาทำมาเป็นคนอย่าไปฆ่าให้มากนักอันคุบัติตินก็ตัดนี่ะเป็นฆาตตัดชีวิตนั่นแนหะอย่าไปให้ให้ปล่อยให้ละให้วางซะอย่าไปเอาเถเวลาเราเป็นการเปลนงานเนี่ยเป็น เราเรายาปับพิ้องอะไรติ่งที่มันเป็นมืนเมา่นั่นอ่ะอย่าเอามาจะไปทําลายกันนี่แหละพวกเราทําลายตัวเองทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครมาทําลายทําชั่วก็ได้ชัว่วทําดีก็ได้ดีมันจะอยู่นั่นเนี่ยมันไม่หนีไปไนะหนอ่อนน้อมถ่อมตัวอใครรู้จักผู้เฒ่าผู้แก่ให้ดูทุกอาดูมิน อ, อย่าไปดูมินคนทั้งหลายอ่ะ ไม่คราก็คนเราก็คนเนี่ยให้พยายามดูตัวเองมาแจ้งตัวเองนี่พอคนอื่นเขาดา่าเขาว่าเขาตัวถูกนินทาเราเราก็ต้องให้มาดูตัวเองเนี่ยมันถูกทําผิดถ้ามันถูกอย่างนี้เอีเราก็ฟังความเขาโอ้เราดีทําผิดอย่างจริงสิที่เขาว่านเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปขอขามาลาโทษเขาซะ หรือไปกราบไหว้เขาเขาได้ก็ก็ได้คือเมื่อกี้เนี่ยฉันทําผิดไปแล้วพี่เอ๋หรือน้องเอ๋ขออนุญาตให้ฉันด้วยเพราะว่าฉันทําผิดไปแล้วเนี่ยถ้าเท่าพูดพูดอย่างนั้นน่ะเขาจะมีความผ้าผูกอบผักฟังผู้บวชพัก ผ, ผุ้มใจไปเพราะว่าเขาก็จะสอนเรานั่นแหละเขาว่าเรานั้นน่ะเพราะว่ามันผิดอย่างนั้นเขาก็เห็นจิตทุจิตตาของฟัง เขาก็จะสอนไปสอนแล้วเราก็ต้องมาดูใจตัวเองนี่แหละอย่าไปคิงกันเขาด่าเขาเขาว่าตัวแล้วก็ตัวไปว่าเขาไปด่าเขาเขาว่าตัวเขา่นี่ะเขาดูถูกเร า, เ, าเราไปดูเขาต่างคนต่างดูกันอันตรึงในที่จะเจ็บจะแทบจะผิดใจของเขานาะๆนะให้พยายามหลายกว่าเขาว่าตัวดีแล้ว อันนั้นเท่าเท่ากับว่าเอาสิ่งที่สโครกนั่นแหละเอาที่ที่ร้อนนั่นแหละที่ใส่กันข่วงใส่กันเหมือนกันกับเอานั่นแหละเอาความนั่นแหละชนะใครใครจะชนะกว่ากันเอาความเบาได้ได้ใครจะได้รายกันรายมากกว่ากันไม่ใช่ว่าจะได้บุญนะนั้นอันมิตรบาปทั้งนั้นเนี่ยเราแต่เราไม่รู้จักมันมีแต่เอาไปมากก็ข้อใหญ่เขาใหญ่เ้าก็ มองหน้าเห็นกันแล้วมันเนี่ยมีปืนก็เอาปืนมีพาดก็พาตีกันฆ่ากันไม่รู้จักเตี้มไม่รู้จักเบียดได้ตีได้ฆ่าเขาเท่าไหนก็เจ๋งก็ว่าดีตัวดีแล้วเนี่ยเราพยายามอย่าให้มันเป็นเราสร้างขึ้นเองหมดนั่นแหละน่าลกสวรรค์เนี่ยก็สร้างแบบนี้แหละไม่ได้สร้างอื่นถรเลาะขโมยเราก็มาทําเองอยากมีอยู่มีกินเราต้องทําอำเอง ได้กินได้ทานเอาของนอาเนี่ยไปกินไปทานแล้วก็ทีได้บุญในอันสูงมากถ้าโกคตกลักขโมยเขาหรือไปซอมโครงเขาหรือไปเอาข้าเขามาเป็นอาหารหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกก็ได้แค่นิดๆหน่อ ย, อยๆไปไม่สมค่าสมราคาที่เราทํามาตั้งทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีก็ทําไปงั้นเนี่ย เดี๋ยวนี้ดูดูดูแล้วนะคล้ายๆค ร, ครับทําไปซื้อเอาทาบุญก็คือเท่าเท้ากอบไปซื้อบุญเอาบุญอ่ะต้องใช้เงินมากๆใครทํหละกันทําดีได้ทานมากก็ถึงยกยอสละเสริญกันไปตะพึ้ตะเพือไปอย่างนั้นแน่ลอส่วนเราเมามาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มจัดค่าจะเก่าตัว1ิบตัวนี้ก็มันก็หมด มันจนจะอยู่นั่นเราสร้างบุญหรือสร้างบาปให้คิดว่ า, างนั่นเนี่ยพวกเราเนะี่ยมันจะช่วยมันจะเท่ากันกับเราความดีจะได้เท่าเท่ากับความชั่วของเราไหมให้คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้พยายามทําตัวให้มันดีเนะี่ยอย่าให้มีมณะที่ติดตัวเนื่อเถือตัวกันก็ว่าใคร ว่ากันเด็กๆน้อยๆก็ อ, อย่าไปถือไปตากันแ้วก็ให้มีความตรมัคคีกันป้องดองกันมีอะไรก็อันใดคนหนึ่งไม่มีคนหนึ่งมีก็ฝันกันอยู่ฟันกันใช่ไปพูดมานี่ก็สังวลาเจาเวลาก็ยศเตียงตอนนี้